และเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมาฐานได้อารมณ์พวกกิเลสก็หลุดไปเองบุคคลจึงต้องมีการปฏิบัติเหมือนอย่างว่าแย่งจิตมาจากกิเลสให้มาตั้งอยู่ในกรรมาฐานหรือในธรรมะที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชอบ ในขณะที่จิตตั้งอยู่ในกิเลสหรือในอารมณ์ของกิเลสนั้นเรียกว่าตั้งไว้ผิดมากก็ผิดน้อยกผ็ผิดผิดทางนั้นแต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรามฐ า, านได้เรียกว่าตั้งจิตไว้ถูกเมื่อตั้งจิตไว้ถูกได้แล้วก็ได้สมาธิ แล้วก็ได้ปัญญาต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะได้ปัญญานั้นต้องได้สมาธิก่อนคือจิตต้องสงบก่อนและเมื่อจิตสงบตัวสงบนี่แหละเป็นตัวสมถะและอาการที่สงบนั้นก็เพราะตั้งจิตไว้ถูก นั่นคือโตสมาธิคือตั้งจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับสมถาะายังอยู่ด้วยกันและเมื่อตั้งไว้ได้แล้วก็กำหนดพิจารณาได้เชินลมให้ใจเข้าออกซึ่งเป็นอาณาปานสตินั้น นำจิตมาตั้งไว้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเป็นการที่ดึงจิตจากอารมณ์ของกิเลสมาตั้งไว้ในลมหายใจเข้าออกให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอาการที่ตั้งนั่นแหละคือตัวสมาธิแบบเมื่อตั้งไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานแล้วกิเลสก็สงบ มบกนั่นแหละคือตัวสมถะแล้วเมื่อจิตได้ความสงบดังนี้แล้วก็เพ่งดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็จะมองเห็นว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนั้น เป็นตัวรูปความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของจิตกเป็นตัวนำหายใจเข้าหายใจออกเป็นเกิดเป็นดับ ฉะนั้นเมื่อลมให้ใจเข้าลมให้จะออกเป็นตัวชีวิตเป็นตัวปราณเป็นตัวอัตตาชีวิตหรือปราณหรืออัตตานี้จึงเกิดดับอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าเพราะยังหายใจ เข้าออกต่อเนื่องกันไปยังไม่หยุดทีเดียวชีวิตจึงดำรงอยู่ความที่ต่อเนื่องกันไปนี้เรียกว่าสันตติคือความต่อเนื่องที่ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องกาบังอนิจจตาคือความไม่เที่ยงเพราะทำไม่เห็นว่าเที่ยง แต่อันที่จริงเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าที่ความไม่เที่ยงยังไม่ปรากฏชัดนั้นก็เพราะยังมีสันติคือความสืบต่อนี้เองเมื่อใดสันติคือความสืบตอ่ อ, อ, นนตต อ, บตอนี้ขาดให้ใจเข้าไม่ให้ใจออกให้ใจออกมาให้ใจเข้าต่อไปหยุด ชีวิตก็สิ้นเพียงแค่นั้นเป็นความดับในที่สุดที่เรียกว่ามรณะคือความตายซึ่งทุกคนก็ต้องประสบทางนั้นในที่สุดเมื่อมีการเริ่มให้ใจเข้าเริ่มให้ใจออกมันเป็นความเกิดก็จะต้องมีความดับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นความดับ ฉะนั้นดูเข้ามาให้ใกล้แล้วให้เห็นว่าความเกิดความดับนี่อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองและความขาดสันตินั่นจะมีเมื่อไหรก็ไม่มีใครรู้พิจรนารณาดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการเริ่มจับลมหายใจเข้าออกทางวิปัสสนา ในขณะที่ปฏิบัติจับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเพื่อสมถะคือความสงบนั่นก็เป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่ก็ต้องใช้สมาธิอีกนั่นแหละคือตั้งใจอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกนั้นไม่ปล่อยแต่เมื่อได้สมถะคือความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเรากำหนดพิจรารณาดูเห็นความเกิดดับ เมื่อเห็นความเกิดดับก็จะเห็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เมื่อเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงการปฏิบัติในขั้นที่ได้ความสงบและดูต่อไปให้เห็นความเกิดดับ อันเป็นอนิจจ์ให้เห็นทุกข์ให้เห็นอนัตตาดังนี้เป็นวิปัสสนาก็าเป็นการอาศัยลมให้ใจเขาออกนี้เองดำเนินไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะ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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการทำสมาธิหรือเจริญสมาธิเป็นจิตภาวนาคือการอบรมจิต เพื่อให้จิตสงบตั้งมัน่นและก็เพื่อได้น้อมจิตที่สงบตั้งมัน่นไปพิจารณาให้เกิดปัญญาในธรรมคือสัจจะตัวความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะพบสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็ต้องพบสัจจะตัวความจริงที่ตนเอง คือที่กายใจนี้จะพบที่อื่นหาได้ใหม่สัจจะที่ตนเองนี่แหละเป็นที่ทุกคน สามารถจะพบได้ถ้าเป็นสัจจะที่อื่นก็พบได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนที่ตนเองแล้วยอมพบอยู่เสมอตั้งตนแต่ กายวาจาของตนเป็นอย่างไรดำเนินไปอย่างไรเมื่อตั้งใจกำหนดดูเข้ามาก็รู้ได้เช่นกายจะผัดเปลี่ยนอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้ได้ว่าจะจะพูดอะไรอย่างไรก็รู้ได้ตลอดจนถึงจิตใจของตนเองจะมีความคิดอย่างไรและ มีเจตนาคือความจงใจอย่างไรมีกิเลสข้อไหนบังเกิดขึ้นหรือว่ามีธรรมะที่เป็นคนข้อไหนบังเกิดขึ้นดูเข้ามาก็รู้ได้ แต่ว่าความรู้นั้นถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงก็จะเป็นความรู้หลงไม่ใช่รู้ถูกต้องทุกคนก็ย่อมรู้ อาการทางกายทางวาจาทางใจของตนอยู่แต่ว่าความรู้นั้นหากเป็นความรู้หลงก็ย่อมจะสนับสนุนความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจในทางที่ผิดต่าง ความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจนี้เรียกว่าความประพฤติความประพฤติก็คือความเป็นไปความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจและความประพฤติดังกล่าวนี้ บางทีก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นทุจริตต่างๆบางทีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทุจริตต่างๆซึ่งทุกคนผูกประกอบกระทมก็รู้ทางนั้นในการประกอบกระทมของตน หรือในความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนก็รู้ทั้งนั้นแต่เมื่อเป็นความรู้หลงก็ยอมสนับสนุนความประพฤติที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆและเมื่อความรู้สนับสนุนเป็นไปดังนี้ ก็เป็นความรู้ชั่วรู้ผิดความคิดเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่ผิดดังนี้จึงไม่ใช่รู้จึงไม่ใช่รู้สัจจะคือความจริง เพราะเป็นความรู้หลงเมื่อเป็นความรู้หลงก็เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้เท็จไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงต่อเมื่อความรู้นั้นเป็นความรู้จริงอันหมายความว่า ชั่วก็รู้ว่าชั่วดีก็รู้ว่าดีผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกเมื่อความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนเป็นไปในทางที่ผิดก็รู้ว่าผิดหรือว่าชั่วก็รู้ว่าชั่วหากเป็นไปในทางที่ดี ต้องก็รู้ว่าดีว่าถูกต้องดังนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงดีก็ดีจริงชั่วก็ชั่วจริงถูกก็ถูกจริงผิดก็ผิดจริงดังนี้ เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงนี้เป็นตัวปัญญาเมื่อฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงสั่งสอนชี้เข้ามา ให้รู้สัจจะคือความจริงดังนี้ว่าทำอย่างนี้ชั่วผิดทำอย่างนี้ดีชอบดังนี้เป็นต้นฉะนั้นก็หากว่าฟังคฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนดังนี้แล้ว ไม่น้อมเข้ามาดูให้คือความจริงที่ตนเองดูความประพฤติของตนเองที่เป็นไปอยู่ทางกายทางวาจาทางใจดังกลา่าวดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ถึงธรรมะคือไม่ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงหากดูเข้ามาให้รู้จัก วันนี้ดีนี่ชั่วนี่พิษนี่ถูกตามที่เป็นจริงดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงธรรมะแต่การที่จะเข้าถึงธรรมะได้ดังนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมจิตนี่แหละเป็นประการสำคัญ ดังที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสติที่กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตั้งต้นแต่ในข้อกายก็ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกคือเป็นการปฏิบัติ หัดทำสติคือความระลึกได้ให้มาระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อตรัสสอนให้หัดทำสติกำหนดระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดังนี้ ก็ตรัสสอนให้หัดทำความรู้ในอิริยาบถเมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืน เมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอนเมื่อพัดเปลี่ยนอริยาบทได้อิริยาบทหนึ่ง <c oughs> ก็รู้การผลัดเปลี่ยนอิริยาบทนั้นนั้น รู้อาการของกายที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดังนี้เป็นความรู้อิริยาบท และก็ตรัสสอนให้สมทำสมบัญชงยะคือความรู้ตัวในอาการของกายต่างๆดังเช่นในการก้าวไปในการถอยไปข้างหลังในการแลในการเหลียวในการที่ คูอวัยวะเข้ามาในการที่เหยียดอวัยวะออกไปและในการพาดสังกติหมจีวรพคล้องบารสำหรับภิกษุหรือในการนุ่งหมต่างๆทั่วๆไป ในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายหนักเบาในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งทั้งปวงสำหรับ ในหมดทําความรู้อิธิยาบทนี่เป็นการปฏิบัติในขั้นสัมบัญญญาคือความรู้ตัวก็ได้ปฏิบัติในขั้นปัญญาก็ได้ ปฏิบัติในขั้นทมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนั้นก็คือมีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบทนั้นนัํนำหรับในขั้นที่เป็นปัญญานั้นก็คือทำความรู้ ว่าการเดินการยืนการนั่งการนอนเป็นเรื่องของกายของธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นกาย เดินยืนนั่งนอนแต่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เรียกว่าเราเดินเรายืนเป็นต้นนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นเหมือนอย่างว่า เกวียนรถแล่นไปวิ่งไปอันที่จริงก็ทับประสัมภาระทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นเกวียนเป็นรถวิ่งหรือแล่นไปไม่มีตัวเกวียนตัวรถที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้น กงอาจหัดทมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าหัดทางปัญญาดูอัตภาพอันนี้ร่างกายอันนี้ที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนว่าเป็นธาตุขันธ์ทั้งหลาย เดินยืนนั่งนอนเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาและที่ตรัสสอนให้ทำสัมปัญธัญญาคือความรู้ตัวในการเข้าไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังก็เช่นเดียวกัน ปฏิบัติเพียงขั้นทมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือว่าปฏิบัติทางปัญญาต่อไปก็ย่อมจะทำได้และแม้ในการกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่เป็นอาณาบานสติก็เช่นเดียวกัน ปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นทาจิตให้สงบเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิก็ได้ปฏิบัติทางปัญญาก็ได้ก็ทาตขันอันนี้เองให้ใจเข้าให้ใจออกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา และปฏิบัติทางปัญญาอีกประการหนึ่งนั้นให้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีอินยาบททั้งสี่ก็ดีอาการของกายต่างๆที่ แสดงให้ละเอียดออกไปเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนั่นก็ดีเป็นสิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับ อิริยาบถ ท, ทั้งสี่ก็เกิดดับเช่นเดินและเมื่อเลิกเดินมาเป็นนั่งเดินนั้นก็ดับมาเกิดเป็นนั่งและเมื่อเลิกนั่งยืนขึ้นนั่งนั้นก็ดับมาเกิดเป็นยืน ดังนี้เป็นต้นในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อแสดงอาการอันหนึ่งเลิอกอาการอันนั้นไปแสดงอาการอีกอันหนึ่งอาการอันเดิมนั้นก็ดับมาเกิดเป็นอาการอันใหม่